คือตรงบริเวณโพทบิบาลังมีโกบัวเป็นเครื่องหมายบอกแต่ว่าใครเห็นบอกว่าพรหมเท้าสุดทาวาสพรหมพรหมชั้นสุดทาวาจะมองเห็นว่าเออเนี่ยกับนี้มีพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะกับนี้สององค์กับนี้สมองค์กับนี้สี่องค์เขาจะมาดูกันมาดูเครื่องหมายอันนั้นขึ้นบริเวณ น, นั้นเนี่ยนะเท้าสุดทาวาสพรหมก็จะชวนกันว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายเคยชวนเทวดามาดูกันมาไปกันเถิดเราจะเห็นบุปพานิมิต แล้วก็พามาณบริเวณโพธิบาลังสถานสถานที่ที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในกลับใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่อุบัติกับนั้นก็ไม่มีดอกบัวเพราะฉะนั้นเทวดาชั้นกามาวจรทั่วไปเนี่ยนะพอเห็นกอบัวกอบัวมีแต่ไม่มีดอกประสีใจเนี่ยนะคล้ายๆอะไรคล้ายๆคนที่เขากําลังจะไปเก็บเอาดอกบัวไปบูชาพระไปเห็นแต่กอบัวไม่มีดอกสักดอกเลยเนี่ยนะก็ เสียใจว่าพ่อคุณเอ้ยโลกนี่จักมืดมนแล้วเนาะสาัตว์ทั้งหลายถูกความมืดครอบงําแล้วก็จักเต็มอบายกาันคนเนี่ยนะถ้าไม่รู้ความจริงไม่รู้ดีรู้ชั่วถามว่าจะทําบุญหรือจะทําบาปเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเหตุแห่งความเสื่อมเหตุอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญก็ชวนกันทําบาปเมื่อทําบาปอะไรเต็มอบายก็เต็มมดปลวกเป็นต้น น, นะะเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็เต็มเตี่ยม เพราะฉะนั้นเทวโลกสวรรค์6กชั้นพรหมโลกว่างแน่นี่นะว่างเปล่าแน่เรียกว่าคือเหมือนกับว่างอ่ะมันน้อยมากพอเห็นดอกบัวบัวบานนะนะสมมติว่าถ้ากรนั้นมีดอกบัวบานอยู่ก็ดีใจดีใจว่าเมื่อพระพอะเมื่อพระสัพพัญญูโพทิสัตผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก้าวลงสู่พระคันพระพุทธมารดา ก็ดีใจโอ้ดีใจแม้กระทั่งว่าตอนที่พระองค์ยังลงสูุขันพุทธมารดาตอนที่พระองค์ประสูตธก็ดีใจตอนที่พระองค์ตรัสรู้ก็ดีใจพระองค์ประกาศพระธรรมจักยังพระธรรมจัก ร, ร, ร, กรให้เป็นไปก็ดีใจตอนที่พระองค์ทำยมกาปาฏิหารก็ดีใจตอนที่พระองค์เสด็จลงจากเทวโลกก็ดีใจตอนที่พระองค์ปรงมาโยสังขารก็สังเวชใจแต่ก็ทําบุญก็ปีติในเรื่องกับพุทธคุณ ตอนที่พระองค์ดับขันท ป, ปรินิพานพวกเราก็จะเห็นปาฏิหาริย์แล้วก็แต่ละอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่ยนะย่งลงสู่พระคันประสูตรตรัสรูยังธรรมจักธรรมยมกะปาฏิหาริย์ลงจากเทวโลกลงอายุสังขารดับขันท ป, ปรินิพานหมื่นจั ก, กรวาลก็หวั่นไหวเพราะฉะนั้นอบายทั้งสี่ก็เหมือนกับเสื่อมโทรมผู้มีบุญก็ไม่ไปอาบายกันหรอกอย่งนั้นนะเพราะฉะนั้นอบายเนี่ยว่างจากผู้ที่มีบุญเทวโลก 6ชั้นพรห ม, มโลกเก้าก็จักบริบูรณ์พระเทวดาเหล่านั้นก็เปล่งอุทานดีใจกันแล้วก็ทุกคนก็กลับไปสู่ภพของตนของตนพรหมก็กลับไปพรหมเทวดาก็กลับไปสู่เทวดาแต่เขามาดูตำแหน่งที่โพธิที่โพธิที่บัลลังก์นะตรงบริเวณโพธิที่บัลลังก์ว่าดอกบัวจะบานกี่ดอกเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเราไปนะ ตอนเช้าก็เห็นโอ้ยเห็นบานหลายดอกตอนเย็นก็เ้าไปหมดเนี่ยนะเพราะอะไรตอนเช้าเขาเอาดอกบัวมาเป็นอู้เยอะแยะมาบูชากันนะตอนเย็นเ้าเขาก็เอาไปทิ้งหมดแล้วนะ่ยนะมาถึงเย็นแล้วสองชั่วโมงก็เ้าเลยนะก็มีแต่บัวะไรนะบัวอะไรบัวสายอะ่ะนะแถวนั้นเขามีแต่บัวสายนะบัวหลวงแบบบ้านเรามันหายากยังไม่เห็นนะ่นะเห็นแต่บัวสายสายบัวนะบัวแกงส้มอะ่ะฮัสเซรูปีฮัสรูปี เดินไปใกล้ต้นพอสี่สิบรูปีเขาว่าไงนะใกล้ไปอีกสามสิบรูปีใกล้ๆครับอีกยี่สิบรูปีเนี่ยนะบอกว่าโนโรูปีก็เลยเรียบร้อยเลยนะเดินกลับเลยคนนี้นี่ก็นี่ต่อไปบอกว่าในกลับเดียวกันคือกลับของเราตอนนี้นะกลับนี้ดอกบัวห้าดอกเกิดขึ้นแล้วในกลับนี้กลับของเราเลยนะมันเท้าสุดทาวาสพรหมทั้งหลายเห็นดอกบัวเหล่านั้นก็รู้ว่า พระพุทธเจ้า4ี่พระองค์อุบัติแลว้วพระองค์ที่ห้าจักอุบัติต่อไปด้วยอนุภาพแห่งบุพพนิมิตเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ปรากฏว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกี่องค์ในกลับนี้ไม่ใช่รู้เฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพรมชั้นสุทาวาสพระอรหันต์ชั้นสุทาวาสพระอนาคามีชั้นสุทาวาสท่านก็รู้เนี่ยนะท่านก็รู้ท่านก็เห็นว่าจะมีพระพุทธเจ้า ในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับปุเพนิวาตเนี่ยนะว่าอดีตนั้นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้อสองข้อสองหน้าสามงปรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนั้นได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเพราะอะไรเพราะพระองค์เสด็จอุบัติในขัติยสกุล อันนี้คือรายละเอียดว่าพุทยญาณของพระพุทธเจ้าปุเพนิวาสานุสติญาณของพระพุทธเจ้ารู้ทั้งเรื่องของตัวเองอย่างละเอียดรู้ทั้งเรื่องของผู้อื่นอย่างละเอียดสุดแท้ว่าประสงค์จะเอาเรื่องของใครมาเล่าอย่างเนี้ยเล่าน น, นเมื่อกี้บอกว่าโอ้เล่าเกี่ยวกับเรื่องกับเมื่อ91ากับสาอกับภายในกับนี้ แล้วก็ไม่ใช่ว่ารู้แค่รู้ว่าเออเมื่อเก้บกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อ31มสกับที่แล้วมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกับนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระองค์เจาะรายละเอียดลงไปอีกว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นเป็นกษัตริย์โดยชาติอุบัติในขัตติยสกุลพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีเป็นกษัตริย์โดยพระชาติเกิดในขัตติยสกุลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เป็นกษัตริย์โดย พระชาติอุบัตในขติยสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัดกุสันธาได้เป็นพรามโดยพระชาติอุบัติในพรามนะสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนณะได้เป็นพรามโดยพระชาติทรงอุบัตในบรมนสกุลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าก <li> <Boys> ัสปะได้เป็นพรามโดยพระชาติ ทรงอุบัติในพราหมณ์สกุลดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราผู้เป็นอรหันต์ตสมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ได้เป็นกษัตริย์โดยชาติอุบัติในขติยะสกุลโดยปกติเนี่ยนะอย่างรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ระลึกชาติได้เนระลึกเช่นระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติ4ี่ชาติหชาติหชาติเจชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติเนี่ยนะว่าเช่นมีชื่ออย่างนั้น มีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันธุ์เช่นนั้นเช่นนั้นเกิดชาติสกุลเหล่านั้นเหล่านั้นชีวิตสุขทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นเสวยบริโภคอาหารเช่นนั้นเช่นนั้นดำรงอยู่ในชาตินั้นตลอดการเท่านั้นเท่านั้นจุติจากชาตินั้นแล้วเชื่อมต่อไปเกิดในพบใหม่อย่างนั้นรู้รายละเอียดพร้อมทั้งอาการและอุเทศรู้รายละเอียดทั้งหมดเลยนะอันนี้อย่างพระพุทธเจ้ารู้รายละเอียดในส่วนตัวของพระองค์พระองค์ จะเล่าก็ได้ว่าเมื่อสมัยพระวิปัสสีเนี่ยพระองค์เป็นอะไรเมื่อสมัยพระสิกขีเวสภูกกุสันทกโกนาคามนะพระองค์จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระองค์ก็ได้แต่พระองค์ไม่เล่าพระองค์เล่าเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะว่าพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยอ่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะมีพระนามอย่างไรมีพระโคดอย่างไรอุบัติในสกุลเหล่าใดเนี่ยนะเดี๋ยวต่อไปเล่าโคดให้ฟังเลยนามสกุลให้ฟังได้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสามพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นโกณทัญญาโดยโคต ร, รบอกนามสกุลได้หมดนะนะแหมเขาบอกเออรู้จักคนนั้นไหมแหมเล่าชื่อนามสกุลบอกแหมวันเดือนปีเกิดพร้อมทั้งอาชีพการงานมีบุตรภรรยากินข้าวที่ไหนเรียนจบที่ไหนอะไรยังไงรับราชการเป็นยังไงแหมท่านเล่าได้ขนาดนั้นนี่ไงเห็นหน้าป่าวคนนั้นอะไรแล้วเล่าพูดอย่างนี้เลยนะโอ้เก่งมากนะ แต่บางคนมันเล่าได้แค่อะไรนะว่าวงศาคนาญาติตัวเองคนใกล้ชิดเท่านั้นแหละคนนอกนั้นก็ไม่เท่าไรนะแต่พระพุทธเจ้านี่เล่าเรื่องที่เหมือนว่าเล่าเรื่องในอากาศให้ฟังอ่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะอย่างสมมติแต่เปรียบแบบเป็นรูปธปรรมนะบอกวมม่าไปนั่งชมอะไระชมอากาศบอกอากาศนะเมื่อสามปีที่แล้วนะโอ้โหฝนตกฟ้าแลบนะสว่างมากเลยนะ แล้วก็ฟ้านะั้นมันออกเป็นช่อช่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้เมื่อสิบปีที่แล้วนะโอยฟ้าแลบปั๊บแล้วมันมีช่อแบบนี้โอ้สวยมากเลยแล้วก็เล่าเล่าเล่าเล่าอย่างเงี้ยวดูอากาศธรรมดาเนี่ยนะเล่าให้ฟังได้ขนาดนั้นก็ถือว่าคนที่จำแม่นเห็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์นั้นก็ไม่ไม่ธรรมดาจริงๆฉันได้พระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งกว่า น, นั้นเยอะเนี่ยนะยิ่งกว่านั้นเยอะเล่าให้ฟังแล้วนามสกุลอะไรเช่นพระวิปัสสีนะนามสกุลโกลนธัญโขด พระผู้มีพระภาคอรหันตตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีก็โกนทัญโคดเหมือนกันเวสภูก็โกนทัญโขดส่วนกากุสันทะโกนาคามณกัสปะนี่เป็นกลุ่มกัสปะโคดของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นโคตมะโคดเนีนะเลานามสกุลให้ฟังเลยนะว่าโคดไหนก็มีอยู่สามโคดนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่สามโคดใหญ่ โกณธัญญาโคดสามพระองค์กัสปะโคดสามพระองค์โคตมะโคดหนึ่งพระองค์โกนธัญญาโคดทั้งสามพระองค์นั้นเป็นเป็นอะไรเป็นกษัตริย์กัสปะโคดนั้นเป็นพราหมณ์โคตมะโคดก็เป็นกษัตริย์เนี่ยนะจำง่ายง่ายแบบนี้ก็ได้นะกัสปะโคดเป็นพราหมณ์โกนธัญญาโคดโคตมะโคดเป็นกษัตริย์นี่รายละเอียดเนี่ยนะบอกว่า บอกชื่อได้ hey. บอกนามสกุลได้บอกอะไรได้เนี่ยก็ถือว่าหน้าทึ่งอะนะนี่นี่ไม่ใช่แค่นั้นนะบอกอายุด้วยรายละเอียดว่ามีอายุเท่าไหร่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระผู razor, 15, ้พระชนมาายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีมีประมาณ8ป0 0 0ื่นปีพระชนมาายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีประมาณเจ็0 0มื่นปีพระชนมาายุของพระผู้มีพระภาค อรหันต virgin, สัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวเวสภูประมาณห 0,000 ื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกะกุสันทะประมาณสี่หมื่นปีพระชนมายุของพระผู Without ้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณะประมาณสามหมื่นปีพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวกัสปะ นี้ประมาณสองหมื่นปีดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายพระชนมายุของเราในบัดนี้มีประมาณน้อยคือไม่มากนิดหน่อยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีชีวิตอยู่นานอย่างนานก็เพียงร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าบางทีบางแล้วบางบางสักนันานั้นสักทีจะมีเกินร้อยเนี่ยนะอันนี้แค่ว่าเล่าคำว่าอายุเนี่ยมาว่าประชาชนโดยรวมในยุคนั้น ไม่ใช่หมายถึงพระพุทธเจ้าเพราะอะไรพระพระองค์จะดำรงอยู่สี่ส่วนห้าของของของอายุเนี่ยนะอยู่สี่ส่วนห้าเขาบอกว่าเกี่ยวรายละเอียดเกี่ยวกับอายุว่าทำไมมนุษย์อายุในยุคพวกเราจึงอายุสั้นเนี่ยนะที่บอกว่าบางทีก็เช่นอายุเกินร้อยปีก็มีอายุเกินร้อยปียมีน้อย โดยมากก็ไม่ถึงร้อยปีใช่ไหมบางทีก็ยี่สิบสาี่บห้ปีมันตายได้ทุกปีนั่นแหละในโลกเนี่ยตายนาทีละกี่ทุกวินาทีเนี่ยนะตายทุกวินาทีใช่ไหมคุณหมอจุติทุกวินาทีแล้วก็เกิดทุกวินาทีเหมือนกันทั่วโลกเลยนะทั้งโลกเนี่ยนะมันเราหายใจเข้าหนึ่งครั้งเนี่ยตายไปแล้วหลายคนนะหายใจออกพ่นลมออกเดินนะก็ตายอีกหลายคนหายใจเข้าก็ตายทริงจุ ต, ติตายจริงๆเลยนะ แล้วบางทีเนี่ยขณะหายใจหึดเดียวตายเป็นร้อยก็มีอันนี้ไม่พูดถึงเดราชาณ น, นะเดราชานบอกชั่วเราหายใจหนึ่งครั้งนี่มันตายเท่าไหร่เลยนะถ้าไล่ไปถึงนรกเปรตอสุรกายโลกพร้อมทั้งเทวโลกจุติปฏิสนธิมันวุ่นจริงๆเลยนะวุ่นวายเหมือนเกิดจราจรขึ้นเนี่ยนะจราจรเนี่ยมันวุ่นจุติปฏิสนธิเนี่ยนะยั่งกันมายั่งกันไปเนี่ยนะไม่รู้ใครจะไปไหนเกิดที่ไหนโอ้ยไปอย่างนี้แหละแต่ที่น่ถ้าเป็นยุค ข, ของเราเนี่ยจุติปฏิสนธิเนี่ยนะ อายุคนที่เกิดมาเนี่ยจากปฏิสนธิไปหาจุติก็บางคนก็ร้อยปีมีน้อยบางทีก็20 30 40ก็บอกว่า 18- บแปถึงยีเนี่ยตายโดยบาดเหตุมากกับเพื่อนถามว่าเหตุผลก็บอกว่าคนกลุ่มเนี่ยเมามากอันนี้คุณหมอบางท่านพูดเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยคนกลุ่มเนี่ยเมาแล้วก็ขับรถสิ่งก็เลยตายปราณนั้นมันก็ก็เหตุที่เขาบอกว่าถ้าจะไม่ออกใบขับขี่ให้ก็ให้พวกนี้ก่อนนะเขางั้น พ่อขี้เมาแล้วเกินขับแล้วชนกันตายปิงเยอะมากันสงครามบางทีนะทั้งปีก็ไม่ได้ตายถ้าอุบัติเหตุได้ซ้ําไปะเสียหายปีงเป็นแสนล้านกันท่านก็จากอุบัติเหตุเนี่ยนะอุบัติเหตุก็ตายเยอะแล้วก็ไม่อุบัติเหตุอ่ะนะอย่างเช่นถ้าเราศึกษา ย, ยุคแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยนะเช่นตายเพราะโรคระบาดมั่งตายเพราะสงครามมั่งตายเพราะแต่ละ ค, คือสรุปว่าตายทีและจํานวน มากมากเนยนะตายจำนวนเยอะเนี่ยนะสมัยไหนที่โลกร่มเย็นหน่อยก็ทยอยตายเพราะอะไรเพราะข่าก็ตายไม่ข่าก็ตายอ้อนวอนขอร้องก็ยังตายเลยว่างั้นเถอะนะจะขอร้องอยู่ต่ออีกหน่อยเธอก็ตายเพราะอะไรชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอดสุดรอบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนอายุยืนเนี่ยหาได้ยากนะเพราะถ้ามีอายุเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยไหมใครก็อยากยาไปเห็นเนี่ยนะเช่น บรรดาคนที่อายุยืนสมัยพุทธกาลนะนางวิสาขาอุบาสิกาอยู่ได้ร้อยีปีแม้กระทั่งพราหมณ์โปกระสาติก็ร้อปีพร ม, มายุพราหมณ์ก็ร2อยปีเซลพราหมณ์ก็ร้อปีภาวรีพราหมณ์ก็อายุร้อ่ปีพระนนก็อายุร้อยปีพระมหากระสปะก็อายุร้อยปีวันที่ขึ้นเขาขี้จกูดเป็นไงหอบบ้างไหมพระมหากระสปะเดินขึ้นตอนอายุร้อยปีเนี่ยนะ ร้อยปีท่านลงมาบินทบาทแล้วกลับไปฉันบนนั้นได้อะสบายๆเลยนะไม่ต้องใช้รธิ์ด้วยนะปกติแข็งแรงมากนะแต่ก็อายุร้อยี่สปีนะ